ในสองคือเรื่องของอังกฤษออกจากการโหวตการโหวตออกจากเอ eu นะครับก็เป็นเรื่องที่สถานโลกพอสมควรนะครับแต่สำหรับเราในชนะทึ่เป็นคริสเตียนนะครับก็ต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของ eu หน่อยนะครับ eu ย่อมาจากอือยูโรเปียน n ูเนียนะครับ เขาเริ่มมีการสัญญากันเมื่อปี1992หรือที่เรียกว่าในภาษาไทยว่าสาภาพยุโรปนะครับแปลงจริงในยูเอนเริ่มมาจากรากฐานคำว่าประชาคมยุโรปประชาคมยุโรปเริ่มมาจาก EEC e เ e คือยุโรเ e ียนอ o n o m i c และก็คอมมิชเริ่มจากการค้า <c oughs> นะการค้าการทำธุรกิจร่วมกัน นะครับของยุโรป น, น, น่ามี6ประเทศในช่วงนั้นแล้วก็มีการต่อหลังก็มาเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องการค้าเป็นเรื่องของอนโยบายทางการเมืองเรื่องของการทหารเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็น E.C. E.C. คืออ่ายุโรปเปียนคอมมประชาคมยุโรปแต่ไอเเป็นประชาคมยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับ <c oughs> เหมือนกับอ่าในประชาคมอาเซียนเนี่ย ประชาคมอาเซียนมันก็เริ่มมาจาก AEC ใช่ไหมเราเราจะพูดประชาคมอรเอซีเอซีเอซีก็มาจากรเรื่องของการรวมตัวกันด้านธุรกิจนะด้านเศรษฐกิจมากกว่าและตอนท้ายก็เหลือเป็นแค่ AC คือว่า Asian Community ั่นนะครับแต่ออสเซียนอีกนูนะคอมมิชชั่นก็เป็นประชาค ม, า เ, นะาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นะก็มาเหลือตอนนี้เหลือแค่ AC คือประชาคมอาเซียน ซึ่งรวมทั้งเรื่องของอเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่อ ง, องการเมืองและรวมเรื่องของการวัฒนธรรมสังคมและธรรมรวมกันสามเสาหลักในก็ล้อมาจากเออียู EU พร้อมควรนะครับล้อาจากเออียูพมควรในสหภาพยูนียสนะครับตอนนี้มีทั้งหมด27ประเทศอังกฤษออกไปก็เหลือยี่สิบประเทศแข่งฟุตบอลก็อยู่ในโซนนี้นะ อาจจะมีบางคนยังไม่ได้เข้าอยู่ก็มีพวกออสเตรียปินแลนด์อิตาลีโปรตุเกสเป็นเยี่ยมฝรั่งเศสลัตเวียโรมาเนียบังกาเียเยอรมันลิทัวเนียสโลวาเกียนะครับไซปรัสแล้วอังกฤษนะครับรักเซมเบกอ่าสโลเวเนียแล้วก็เช็กนะกรีกมอนตา้ามอนตานี่มีลูกของคนมอนต้ามะเลที่พป็นราชด้วย <c oughs> เทมอร์ตานะสเปนเดนมาร์กฮังการีเนเธอร์แลนด์สวีเดนออสเตเนียแล้วก็ไอร์แลนด์แล้วก็โปรแลนด์นะครับ27ประเทศแต่ดาวของขามีแค่12ดวงดาวมีแค่12ดวงนะเพราะเขาเริ่มต้นมาอย่างนั้นตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับอาเซียนเนี่ยมี10ประเทศแต่ก็พลัส สาบวก 3, บวก 6, บวก10บแล้วแต่แล้วแต่จะบวกเข้ามาแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะไอ้บวกไมไ่เป็นสมาชิกแต่ว่าเข้าร่วมเฉยอันนั้นก็มากกว่าถือเนเข้าร่วมนะนั้นในเชิงของอพมพีอันนี้คือภาพของอประเทศต่างในสาภาพยุโรปนะที่อยู่ร่วมกันนะครับแต่เมื่อพูดถึงพมพีเราก็ไปนึกถึงอาณาจักร โรมเก่าอนจาจักรโรมเก่าเนี่ยเมื่อคราวรุ่งเรืองสุดๆก็ไปบวกเอาอังกฤษเข้ามาด้วยเริ่มต้นไม่ถึงอังกฤษอ่ะมีไม่กี่ประเทศนะครับแต่พอตกต่มสุดอังกฤษก็หลุดเหมือนกันนะฮะเหลือไม่เท่าไหร่อันนี้จะพูดถึงว่าเป็นไปตามเพิ่มพีที่ได้มีคำพยากรณ์ไว้สมัยของดานเนียน และมีคำพยากรณ์วิสัยของยอห์นอัครทูตในประธรมวิวรลในดานเนียนพูดถึงเรื่องของเนบิวคัติซาเนี่ยได้ฝันเห็นปฏิมากรใหญ่นะครับส่วนหัวเนี่ยเป็นทองคำนะฮะส่วนอกกะแขนเน็ี เ, เงินนะครับแล้วท้องไปถึงต้นขาเนี่ยเป็นทองสมริดและขาลงไปถึงเท้าเนี่ยเป็นเหล็ก ส่วนเท้านั้นเป็นเหล็กปนดินนะครับเป็นเหล็กปนดินก็ดานเนียนได้รับการสแสดงพระเจ้าว่าสิ่งที่เดมคัสซาได้เห็นนั้นอนาณาจักรแรกคือที่เป็นทองคําคือหัวนั่นคืออาณาจักรบาบิโลนซึ่งก็ล่มสลายไปแล้วนะฮะสิ่งมหัศจรรย์ที่สูญหายไปในโลกนี้คือสวนรอยฟ้าของอาณาจักรบาบิโลนนะฮะและต่อมาเป็นอนาณาจักรของอ่าส่วน อกแขนก็คือมีเดียกับเปอร์เซียนะสองประเทศที่รวมกันโค่นนะโค่นบาบิโลนนะครับทุกท้ายก็เหลือประเทศเดียวคือเปอร์เซียนะเปอร์เซียนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนแต่ท้องมาถึงต้นขาซึ่งท้องสมฤตนั้นนะเป็นอาณาจักรกรีกอเล็กซันเดอร์นะกษัตริย์อาล็กซันเดอร์ที่มีการรุกคืบหน้ารุกโคน่นลม้มเปอร์เซีย และสามารถขยายนาะเขตได้รวดเร็วและขยายวัฒนธรรมได้รวดเร็วแม้แต่ภาษากรีก็แพร่ไปในทั่วโลกเวลานั้นในสมัยพระเยซูใช้ภาษากรีกด้วยนะสมัยพระเยซูใช้ภาษากรีกนั้นพระพิพันธยาใหม่ที่เราอ่านเนี่ยต้นฉบับจริงเป็นภาษากรีกนะต้นฉบับจริงภาษากรีกหลังนั้นกรีกอาริสตัลเดอร์ตายเมื่อยังหนุ่มอยู่สาธารณกวาตายแล้ว <c oughs> นะครับก็กลายมาเป็นอาณาจักรของโรมันนะจากโรมัน ในคำพายากรณ์โร ม, มันเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนสองส่วนส่วนอดีต ท, ที่ผ่านไปแล้วสมัยของที่เรายินของซีซ่าออกัสตัสต่างๆพวกนี้นะแต่มีก่อนหน้านั้นแล้วพูดถึงโรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งในพัมพีวิวรณพึงะมีเจดหัวกับ10บเขานั้นเมื่อส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูใกล้เด็กกลับมา คือเรื่องของการรวมตัวของอาณาจักรโรมขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนนี้ประชาคมยุโรปไม่มีนะสหภาพยุโรปไม่มีแต่สุดท้ายเมื่อเศษกิจดีขึ้นก็เริ่มก่อตัวเป็นประชาคมยุโรปและก็เริ่มกลายมาเป็นสหภาพยุโรปนั่นหมายว่ายุโรปในเขตอาณาเขตที่เคยเป็นของโรมเนะ่ยเป็นของอาณาจักรโรมนะ่ยในอดีตนะ่ยเริ่มรวมตัวขึ้น แต่การรวมตัวเขานี่มันมากเกินกเขตเมื่อมากเกินเขตสาภาพยุโรปหรือประชาคมยุโรปเนี่ยยังไงก็ตามแต่ถ้าว่าไปตามมัมพีต้องลดลงเหลือประมาณสี่ประเทศและยังเก่งน่าจะไม่เกิน12ประเทศนะครับอังกฤษถือว่าอยู่นอกโซนอยู่แล้วเพียงเข้ามาบวกตอนที่อาณาจักรมรุ่งเรืองสุดๆแต่สุดท้ายก็ลดลง อันนี้คื อ, อประเทศต่างๆในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในสหภาพยุโรปนะครับอ น, นาคตจะเหลือแค่นี้พวกฟินแลนด์พวกเดนมาร์กพวกต่างๆเนี่ยสุดท้ายจะคงจะถอนตัวหมดอ่ะจะถอนตัวไปไหนเราไม่รู้หลายคนบาคนอาจจะถอนตัวตามอังกฤษแล้วก็แล้วแต่คนแต่ว่าเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วอาณาจักรโรมจะกลับมาใหม่และอาณาจักรโรมพื้นที่ก็มีประมาณสิบกว่าประเทศ น, น่าจะไม่เกิน12ประเทศโดยภาพรวมันส่วนประเทศไหนแบบไหนคงต้องไปเอาแผนที่มาทับไปจริ ง, ร ง, รงอันนี้ดูกันแบบจับจนะดูกันแบบหยาบถ้าเอาแผนที่มาทำจริงอยู่ประมาณเนี้นะฮะเยอรมันก็ลุดนะเพราะเยอรมันในในอดีตนั้นไม่อยู่ในส่วนของอาณาจักรโรวมไม่ไอยู่อยู่ชายแดนเป็นขอบชายแดนที่ต่อเนื่องกันนะครับนั่นะคือสิ่งที่ทําให้มองเห็นนั้นสถานการณ์แบบนี้นะครับ ผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยจะดาเนินชีวิตแบบไหนคำพยากรเกี่ยวกับการเสร็จกลับมาของพระเยซูชัดเจนมากขึ้นนะฮะไม่ว่าคำพยากรเรื่องของอะไรประชาคมอาเซียนเรื่องของเจดเประเทศสิบกษัตริย์เนี่ยนะฮ ะ, นะฮะหรือว่าสิบประเทศที่จะเกิดขึ้นแรงต่างาพวกนี้ โดยภาพรว ม, มๆคณะเจ็ประเทศสิบกษัตริย์หมายว่าการแตกหน่อของมันภายภายในตัวของมันนั้นโซนของประชาคมยุโรปจริงไม่กว้างมันอยู่ภายใน <c oughs> นั้นคือสิ่งที่มองเห็นว่าเป็นการบ่งบอกว่าพระเยซูกใกล้จะมาประชาคมอาเซีย น, นยที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเดียวเพื่อจะเป็นทางทมองเห็นว่าแอนติคริสเนี่ยเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นหรือผู้ต่อต้านพระคริสเนี่ยเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น นั้นข้ามประชากรต่างแม่แต่เรื่องของประชากรเรื่องของภัยธรรมชาติภัยพิบัติต่างๆเรื่องของกระดานอาหารเรื่องของแผินไหวเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมากมาย ก, ก่ายกองมันมีเยอะการบอว่าสิ่งที่พระเยซูพูดถึงสิ่งที่พระพีพูดถึงข้าพประชากรของครแิบเจ้าได้พูดถึงมันใกล้เป็นความจรงิงนั้นพระเยซูใกล้จะกลับมา เมื่อพระเยซูใกล้กลับมาสิ่งที่เป็นปัญหาของขึ้นจักรคือว่าพราะมหาบัญชาที่พระคริสต์ได้มอบไว้แก่เราเราทำไปถึงไหนแล้วตอนนี้นิมิตของประเทศไทยเราอาจจะมาเคลื่อนตัวตอนหลังดูเหมือนช้าแต่ไม่ช้าคือในปี 2,000 เนี่ย 2,020 เนี่ยประเทศไทยมีขึ้นจักรเมืไทยมีความตั้งใจจะเพิ่มจานวนขึ้นจักรเป็น 5,000 รึ้นจักร นะเป็น 5,000 ัคริสจักรในปี2030เนี่ยเราคาดว่าจะมีคริสเตียนอยู่ที่มสเอรเนนะแต่นิมิตนี้จะสำเร็จได้ต้องลงมือทำไม่นิมิตไม่เป็นแค่ความฝันที่พระเจ้าให้และก็รอดูว่าพระเจ้าจะทำนิมิตต้องทำความเข้าใจให้ดีหลายคนไม่เข้าใจ่ า, านิมิตแปลว่าอะไรนิมิตแปลความว่าสิ่งที่พระเจ้าสำแดงกับเราและให้เราทา โดยมีพระองค์จะช่วยให้เราทําจนสําเร็จต้องทําความเข้าใจความหมายนี้ให้ดีนิมิตไม่แปลความว่าสิ่งที่พระเจ้าสําแดงแล้วเราก็นั่งรอดูว่าพระเจ้าจะทําเมื่อไหร่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคิดจักทั่วๆไปมักมีปัญหาว่าเพอาะวนิมิตของพระเจ้าเหรองั้นไม่ทําอะไรนั่งรอดูเพราะเราไม่เข้าใจความหมายนิมิตนิมิตแปลความว่าสิ่งที่พระเจ้าสําแดงกับเราวัตถุประสงค์เพื่อให้เราเป็นคนทํา และพระเจ้าจะช่วยให้เราสามารถทํานิมิตนั้นจนสําเร็จอันนี้คือความหมายเมื่อคุณนิมิตต้องเข้าใจความหมายแบบนี้งนั้นเมื่อเรามีความตั้งใจมีความนิมิตร่วมกันว่าอยากจะเห็น 5,000 คริสจักรในปี2020นั้นคริสจักรประเทศไทยนี่ก็ตื่นตัวในเรื่องของการอะไรในเรื่องของการที่จะบุกเบิกคริสจักรแล้วเมื่อเรามีนิมิตชัดเจนท่นานทราบไหมมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคริเสเตียนในประเทศจีน ตอนนี้มี500คนที่เป็นนักไอ้ฐานวิงวอนแล้วบอกกับประเทศไทยว่าทิศจากไหนต้องการอาัก้ฐานวิงวอนบอกมาฉันจะไปช่วยไอ้ฐาน5วัน10วันต่างๆฉันพร้อมจะมามาเลเซียอิโดฮีเซียสิงคโปร์สวีเดนนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศมีกลุ่มทีมประกาศในทุกรูปแบบขอมาฉันจะไปช่วยจะช่วยคือช่วยฟรีนะนะไปช่วยฟรี นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขารับรู้นิมิตของประเทศไทยทุกคนพร้อมมาช่วยนะฮะกลุ่มของ uh, o อ One Challenge นะฮะเป็นกลุ่มที่ช่วยฟิลิปปินส์ในการบุกเบิกคิดจกักรจนทั้งเกิดการฟืนฟร้นฟูฟิลิปินจนคิดจกัก uh, รมีมากขึ้นนะฮะจากไม่กี่ uh, พันคิดจักรเป็นหลายหมื่นคิดจักรในฟิลิปปินส์ แลฟิิปินตั้งเป้าว่าในปี2020ก็จะมี 200,000 คริสตจักรนะ 200,000 คริสตจักรถามว่าทําไมฟิลิปปินส์องประกาศเพร 90% ฟิลิปปินส์เป็นคาทอลิกไน่คาทอลิกนะครับอันนั้นคือส่วนก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นปัญหาในธรรมการพวกเขาอยู่นั่นคือสิ่งที่ให้มองเห็นภาพว่าประเทศไทยก็เริ่มหลายจังหวัดเริ่มเดี๋ยวนี้ถ้าเรามองไปดูทั่วไปในประเทศไทยคริสเตียน แต่จงังหวัดเริ่มรวมตัวกันเริ่มรับใช้พระเจ้าโดยการเริ่มทําสิ่งต่างด้วยกันนั้นคือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนเพราะเราเชื่อว่าเป็นนิมิตถึงมาจากพระเจ้าเมื่อเป็นนิมิตมาจากเจ้าสิ่งที่เราต้องทําคือลงมือทําและพระเจ้าสัญญาว่าจะช่วยให้เราทําสําเร็จตามนิมิตที่โปร่งสาแดงกับเรานั้นแต่ถ้าเราไม่ทํานิมิตก็ไม่เกิดนิมิตก็ไม่สาเร็จนิมิตก็ไม่เคลื่อนนั่นคือสิ่งสำคัญนั้น แม้เวลาจะเหลือน้อยนะสมมติสมมติสมมติอีกยี่สิบปีพระเยซูจะมาก็ไม่น้อยเกินไปในการจะทำให้เกิดการฟื้นฟูในประเทศไทยพาคิดจใจประเทศไทยลุกขึ้นในการทำภนธกิจของพระเจ้าตามปมหาบัญชาของพระองค์ตามนิมิตที่พระเจ้าสำแดงกับเราอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่สาคัญว่าเราก็ต้องตั้งสรวจกับชีวิตเรากับ ชีวิตช่วงเวลาที่พระเยซูใกล้เสด็จกลับมาเราดำเนินชีวิตแบบไหนในพระธรรมฮักไก่นะครับบทที่หนึ่งข้อหนึ่ ง, งถึง7ได้กล่าวบอกว่าณวันที่หนึ่งเดือนที่หปีที่สองแห่งรการของประชาดารอัสพัจนะของพระเจ้ามาโดยทางฮักไก ผู้เผยชนะถึงเซรุปบาเบลบุตรเชอันทิเอลผู้วัชการเมืองยูดาและถึงโยชววบุตรเยโฮสดักมหาปุโรหิตพระเจ้าจอมิทาตรัสดังนี้ว่าประชาชนของเรานี้กล่าวว่าเวลาสร้างพนิเวศของพระเจ้านั้นยังไม่มาถึงแล้วผู้ชนะของพระเจ้าจึงมาถึงโดยทางฮักไกผู้เผยชนะว่า ถึงเวลาแล้วหรือที่ตัวเจ้าเองอาศัยในบ้านที่มีไม้บุแต่ส่วนพระนิเวศนี้ทิ้งให้พังทลายเพราะฉะนั้นบัตรนี้พระเจ้าจอมทาสจัดว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรเจ้าหวานมากแต่เกี่ยวน้อยเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มเจ้าดื่มแต่ไม่เคยหายอยากเจ้านุ่งห่มแต่ไม่มีใครอุ่น ผู้ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูพระเจ้าจอมยุทาตรัตน้ว่าจงพิจารณาว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรเราร่วมใจฐานครับพระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าผู้ทรงก่อชนอยู่ขอขอบคุณพระงที่พระเจ้าทรงนำพาพระเจ้ากุณาและองค์พระเจ้าทรงโปรดอำนวยอวยพรสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงอยู่ท่ามกลางรับพ้องหลายจึงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ในความรักของพระเจ้าที่มีต่อข้าพมาลายสันเสริมและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรความผิทุกตอนการวนใจซึ่งมาจากพระเจ้าผมอยู่ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการป ร, ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพงษ์จะพักพร้อมในการทําการในทุกอย่างสรรเสริมและขอบพระคุณในความรักของเจ้าในทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูกิจ้าอาเมน <c oughs> ช่วงฮักไกเป็นช่วงที่ คนยิวได้กลับมาจากบาบิโลนในช่วงบาบิโลนนั้นก็คือช่วงของเปอร์เซียขึ้นข้ออำนาจนะโดยไซบรัสนะโดยไซรัสนะโดยไซรัสก็ได้ปล่อยให้คนยิวกลับมาประเทศมาสร้างพิวิหารโดยเอสรามาสร้างกำแพงโดยเนหมีนะครับมีเซรุบบาเบลเป็นผู้ว่าการ มีโยชูวาบุตรเยวสดักเป็นมหาปุรหิตในช่วงเวลา น, นั้นนะะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น <c oughs> ก็ยอ้อนหลังไปคนประมาณ500นิดหน่อยก่อนกิสกราตเพราะว่าเขาตกไปเป็นเฉลยเมื่อปีอกศ .586 นะฮะเป็นเฉลยอยู่ในประเทศบาบิโลนอยู่70ปีก็อา70ไปลบก็เหลือ510กว่านะฮะ และหลังจากนั้นมาสั ก, กไม่กี่10ปีในสมัยของมาราคีพระเจ้าก็ไม่พูดกับอิสเรลไปเลย400รปีมาพูดอีกครั้งหนึ่งตอนที่พระเยซูจะประสูตรในสมัยของยอนผู้รับมาแลน ะ, ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระเพียนี้เป็นพรอมพีรที่กระตุ้นหนุนใจคนยูที่เขากลับมาสร้างวิหารนะฮะ แล้วสุดท้ายสร้างไปสร้างมาเริ่มคิดถึงตัวเองนะฮะไม่สนใจวิหารละสนใจเรื่องการทํามาหากินสร้างบ้านสร้างอะ้รตัวเองนะจนพระเจ้าต้องมาเตือนว่าเป้าหมายในการกลับมาคืออะไรนะเป้าหมายในการกลับมาคืออะไรนั้นสิ่งที่สําคัญว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรไอความเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยคงไม่หมายถึงฐานนะแต่หมายท่าทีในการดําเนินชีวิต นะถ้าทีในการชิดถ้าท่าทีในการมันชิดผิดเนี่ยนะพระธรรมพักกายจะพูชี้ถึงอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนได้แต่ไม่ได้นะฮะดูเหมือนได้แต่ไม่ได้นั้นให้เราพิจารณาชิกของเราว่าในช่วงพระเยซูใกล้เสร็จกลับมาเนี่ยเรามีชีวิตอย่างไรนะครับสิ่งที่ชาวยิวเมื่อกลับมาเข้ากระตือร้อนในการสร้างวิหารกระตือร้อนในการ สร้างกำแพงแพงเสร็จแล้วเขาปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วกาลังก่อสร้างวิหารเพราะวิหารเขาเนี่ยหลังเนี้ยต้องใช้ 20, ประมาณสี่สิกว่าปีน ะ, ะถึงจะสร้างเสร็จนะน ะ, ะเขาทยอยกันสร้างมาแต่เขาสร้างไปสร้างมาท้อใจไปสนใจกับเรื่องส่วนตัวนั้นสิ่งที่ฮักไก่พูดถึงว่าเรามาดูสินะฮะเจ้าเป็นอยู่อย่างไรนะฮะหนึ่งหวานมาก แต่เกี่ยวน้อยคำถามพระเจ้าทำลังถามชาวยาวว่าสิ่งที่เจ้าทำในทุกวันนี้ได้ตามที่ต้องการหรือไม่ความหมายว่าเราว่านมากเราต้องการเกี่ยวมากเมื่อวานนี้ดูรายการเข้าไปสอบสัมภาษณ์ อ, อ่ดรปีชาเรืองจันทร์ซึ่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดของเราเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมานะแล้วก็เสียไปแล้วท่านกากลับไปทานาที่จังหวัดสุจิตนะฮะ ก็เป็นที่ลือลั่นกันก็ถามว่าท่านเป็นผู้ว่าไหมมาทนะํานาผู้ว่าถามว่าทําไมไม่ถามผมว่าผมทํานาทํานาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมทํานาตั้งแต่ก่อนเป็นผู้ว่านะไม่ใช่เลือกจากการผู้ว่าแล้วมาทํานานะฮนะผู้ว่าเราทำความเข้าใจไม่ดีนะฮะก็ผู้ว่าว่าบางทีเกษตรกรเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องหนึ่ง บอกไครก็ตามแต่ที่หวังร่ำรวยจากการทำการเกษตรแค่คิดก็จนแล้วไม่ว่าแค่คิดก็จนแล้วว่างานการเกษตรไม่ทำเพื่อความร่ำรวยแต่ทำเพื่ออะไรเพื่อมีกินมีใช้เพื่อการกินอยู่เป็นพื้นฐานนะเพื่อการเป็นอยู่พื้นฐานแต่ว่าเกษตรก ร, กรไทยเปลี่ยนจากแนวคิดการทามาหากินมาเป็นเรื่องของการลงทุน เพื่อจะได้กําไรปลูกข้าวเพื่อจะได้กําไรเยอะๆปลูกมันเพื่อจะได้กําไรเยอะๆปลูกนู่นปลูกนี้เพื่อได้กำไรเยอะเมื่ออยากได้เยอะก็ต้องหวานมากท้าวันทีเป็นสิบไร่เป็นร้อยไร่แล้วแต่ทํานั้นผู้ว่าว่าใครคิดจะร่ํารวยทางเกษตรก็จนตั้งแต่คิดแล้วเพราะมันไม่ใช่การเกษตรเรื่องการสะสมการทําไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องขั้วศักยกรรมไม่ใช่เรื่องการลงทุนด้านอื่นไม่ใช่ น, ะะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหลายครั้งหลายคาชายยัยยูก็หวานมากนะแต่เกี่ยวน้อยทุกวันนี้ชาวนาไทยก็เหมือนกันนะหวานมากแต่เกี่ยวน้อยวางจริงหวางกันที่เป็นสิบไร่ห้าสิบไร่หกสิบไร่ร้อยไร่แต่ต้องเก็บเกี่ยวมันน้อยไงโดยเหตุผลของหลายเรื่องเหตุผลดินฟ้าอากาศเหตุผลเรื่องของปภยัยพิบัติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะฮะ ทำให้เกิดการล่มสลายของนาการล่มจมของนาเกิดขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะหวานมากแต่เกี่ยวน้อยรับประทานแต่ไม่เคยอิ่มนะฮะไม่มีความพอดียังคงหิวอยู่เรื่อยๆนะอยากได้มากอยากได้มากมันก็ไม่ได้ตามที่อะไรตัวเองคาดหวังหรือได้แล้วก็ยังไม่เพียงพอไม่รู้สึกอิ่มนะก็ทำไปเรื่อยๆ นะครับนั้นเอ่ก็คุยฟังหลายครั้งอ่ะร้านอาหารอ่ารวยแล้วเลิกเนะี่ยป่านนี้ยังไม่เลิกไงเพราะยังไม่รวยยังไม่รวยไม่เลิกนะหาคําจะจากัดความคำว่ารวยไม่เจอนะฮะก็เลยไม่เลิกนะครับดื่มแต่ไม่เคยหายอยากคิดว่าอันนี้จะทําให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจแต่พอดื่มไปแล้วกินไปแล้วทําไปแล้วก็ยังหิวกระหายอยู่เหมือนเดิมยังคนขนขวายยังคงทำในที้เหมือนเดิม นุ่งโฮมนุ่งห ม, งหมแต่ไม่อุ่นนะฮะมีความสึกว่ามันได้มันจะอบอุ่นมันมันก็ไม่อุ่นนะมันยังเดียวดายมันยังโดดเดียวนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่าจ้างนำมาใส่ถุงที่มีรูดูเหมือนได้เยอะนะแต่มรู้มันหายไปไหนไม่เชื่อเราเชื่อเราลองไปทบทวนนะเอาแต่ต้นบีนี่ก็ได้เราได้เงินมาได้เงินม า, ไ ด, นมาได้เงินมานะลองบวกให้จำนวนเท่าไหร่ อาจจะเยอะพ้อมควรนะคำถามมันหายไปไหนคำถามมันหายไปไหนได้มาได้มาแล้วมันหายไปไหนมันหายไม่รู้ตัวไงนั่นคือว่าคนยิ้มกันก็ได้มาได้มาได้มาสุดท้ายมันหายไปไหนได้เยอะจริงนะได้นู่นได้นี่ได้จากคร้นั้นได้อย่างนี้ได้ได้เยอะแต่สุดท้ายมันหายไปไหนหาคำตอบก็ไม่เจอ แต่มีช่องรู่ะมันมีรูมันมีรูรั่วแน่นอนเราไปหาให้เจอนะครับอันนั้นคือสิ่ที่เกิดขึ้นพระภิกษุฮักกายบอกว่าคนยิวท่านสนใจเรื่องส่วนตัวความปรารถนาส่วนตัวแต่สุดท้ายก็ลงเอยว่าหวานมากแต่เกี่ยวน้อยรับประทานแต่ไม่เคยอิ่มดื่มแต่ไม่เคยหายอยากนุ่งห่มแต่ไม่เคยอุ่นได้ค่าจ้างก็หายไปมาใส่ในกรถุงที่มีรูมันเหลือแค่พอกิน มันเลยแค่พอกินนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นถ้าเราอ่านพระพีต่อมาอหน่อยของฮักไกาเนี่ยจะออกมาทำนองนี้ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงเราเพราะไอ้สิ่งเรามีความรู้สึกว่ามันยังอยากมันยังหิวมันยังไม่พอมันเกี่ยวข้องว่ามันไม่ใช่ความต้องการจริงๆของเราเราต้องการในสิ่งที่เราไม่ต้องการ มันเป็นการหลอกตัวเองเหมือนกันไม่แน่ใจเคยพูดทีนี้ยางถ้าไม่เคยก็พูดใหม่อีกกี่ก็แล้วกันแต่เคยพูดในสองที่อย่างน้อยที่ภูมิราชได้พูดถึงนะครับว่าคนรุ่นใหม่นะคิดว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองแต่จริงๆไม่ใช่เพราะคนที่เป็นตัวของตัวเองต้องรู้จักตัวตนของตัวเองแต่ทุกวันนี้ มีความสึกว่าฉันเป็นตัวของตัวเองแต่ไม่เคยรู้จักตัวตนตัวเองอะไรเตัวชีวิตตราบใดที่ยังวิ่งตามกระแสอยู่ก็แสดงว่าคุณไม่รู้จักตัวตนตัวเองเราคือใครเราถนัดอะไรเราชอบอะไรหาให้เจอถ้าหาเจอแล้วคุณจะรู้จักตัวตนตัวเองและการเป็นตัวของตัวคุณเองจะเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้พยายามบอกว่าฉันเป็นตัวของตัวเอง การตัดสินใจเองคิดเองอะไรต่างเองนะแต่ส่วนใหญ่คือไหลไปตามกระแสการไหลไปตามแสเป็นการบ่งบอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเราเองแต่เมื่ อ, อไรเราค้นพบว่าตัวเราเองคือใครแล้วเราเป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละเราเป็นตัวของตัวเองอันนี้นคือสิ่งนี้เกิดขึ้นคนยิวในพระนันก็เหมือนการพยายามขวนขวายหานะฮะแต่เขาหาในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ เป็นแต่เพียงคนอื่นบอกว่าคุณต้องการสิ่งนี้นะถามมาทุกวันนี้ถามมาทำไมเราต้องการมีเงินเยอะเป็นแต่เพียงคนอื่นบอกว่าเอ้ยถ้าคุณรวยนะเขาจะนับหน้าถือตาคุณเขาบอกเราเขาบอกเราฮะเขาบอกเราว่าคุณเป็นงี้นะจะเป็นงานคุณเป็นงี้เขาบอกเราหมดเลยเราไม่ได้เคยคิดเองเลยแต่เราบอกว่าฉันเป็นตัวตัวเองก็ทำตามเขาอยู่หยกแล้วบอกเป็นตัวตัวเองได้ไงนั้นันคือสิ่งที่เกิดขึ้น นั้นเขาต้องการในสิ่งของการยังไงมันก็ไม่อิ่มยังไงมันก็ไม่อุ่นยังไงมันก็ไม่พอนะยังไงมันก็ไม่หายอยากเพราะว่าเรายังไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้อ่ะนะในความตัวหนึ่งนั้นลำดับแรกลำดั น, น ratchet, แรกเป็นสิ่งที่ต้องการที่ต้องการมากๆมากๆทุกวันนี้เป็นเพียงแค่ความต้องการฝ่ายร่างกายและถามอาไอ้ความต้องการฝ่ายร่างกา ย, ยต้องการเยอะไหมไม่เยอะหรอกนิดเดียว นิดเดียวเมื่อเร็วๆนี้มีครอบครัวหนึ่งนี่เล่าให้ชั้นเรียนฟังบ้างมีคนในดูแลรวมแล้วแปดคนนะเขาไม่มีข้าวกินโอ้เดือดร้อนอดีตเคยเป็นคนรวยอยู่เราฟังแล้วก็น่าเห็นใจน่าช่วยเหลือนะ ลูกลูกห้าหลานสามแม่อีกหนึ่งะครับแม่อีกหนึ่งแปเก้าคนน่ะไม่มีข้าวกินไปเรียนหนังสือยังไม่มีตังซื้อชุดเรียนเลยเรียนหนังสือของรัฐบาลยังไม่มีเงินที่จะใส่จ่ายค่าบำรุงบางอย่างไม่มีอนั่งคุยกันนั่งสาร คุยไปคุยมาคุยมาคุยไปคนนี้มีรถราคาล้านกว่าอยู่หนึ่งคันและมีรถราคาเจ็ดแสนกว่าอีกหนึ่งคันผมถามแล้วคุณจะเอาไว้ทําไมเขาบอกกำลังขายอยู่ขายราคาเท่าไหร่บอกที่ไปขายมันไม่มันไม่ยิธีทํามไม่ยืธีทามันกดเราหน้าดูไว้รอขายได้ราคาผมเลยบอกว่าเลือกเอา ระหว่างอดตายกับได้ราคาจะเอาชิดรอดหรือจะเอารถไว้มีสองอย่างราคาร้านเนี่ยคุณมีทางขายได้ราคาหรอกรับประกันได้รถรถพวกรถหรูทั้งหลายแหล่เนี่ยรถที่ขายได้ราคาดีณนปะัจจุบันนี้คือรถปิกอัพงเองสี่ประตูขึ้นไปอย่าหวังได้ราคาดีเลยนะฮะเพราะไม่ใช้ประโยชน์อะไรมากมายน ะ, ะนันคือซึ่ ก็เรื่องเอาระหว่างจะอดตายหรือว่าจะเอารถไว้ด้นนี้เกี่ยวข้องกับเหตุผลจมอมปลอมถามว่าถูกไหมที่เราไม่ขายรถเพราะว่าเขาให้ราคาไม่ยุติธรร ม, มต่อบว่าถูกแต่ถามกับเรามันใช่ไหมต้องต่อไม่ใช่เลือกเอาระหว่างอดตายกับเอารถไว้สุดท้ายเลือก เลือเอาชีวิตแมวรถเพิงมาขายวันจันทร์เขามีเงินสีห้าแสนเขาตั้งหลักได้ระดับหนึ่งคุณตั้งหลักได้ใหม่มาซื้อใหม่ได้รถคันนี้ยซื้อใหม่ได้แั้นถ้าเราไปช่วยเขาช่วยเขาโหนมันนะฮะแต่เขามีอะไรบางอย่างที่สามารถช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งเพียงแต่คิดให้มันถูกจะเอาชีวิตหรือจะเอารถเลือกกันมานะเลือกกันมาอันนั้นคือวิธีการคิดไง นะฮะถ้าคุณจะเอาความยุติธรรมก็รอไปเถอะความยุติธรรมบางอยา่างอาจทําให้คุณอดตายแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเรื่องภาพรวมต่างอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องส่วนตัวนะฮะคุณยังมีรถคันในการใช้งานอยู่แล้วคุณไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านนอกอะคุณจะไปไหนอะ่ะนะครับอยู่ราชการอะ่ะไปไหนอะ่ะไอ้ตาพวกเนี้ยนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดก็คุยคุยก็เกิดความเข้าใจนะอันนี้คือว่า ความต้องการฝ่ายร่างกายนิดเดียวคุณขายลราไปสี่แสงกว่ามหาเสียนดูเหมือนมันมันมันเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะมันไม่ยุ่ธรรมมันมันมันกดกันเกินไปแต่เอาชีวิตรอดไปก่อนขม้นตอนที่แตกเข้ามาในเมืองไทยยอมเอาทองคำมาแลกกับข้าวสารทำไมยอมเอาชีวิตไว้ก่อนไม่เสียดายทองคำใช่ไหม ถ้าอคคะเมงเขาบอกว่าไม่เอาจ้างรักษาทองคําไว้แล้วคุณตายว่าไงทองคาเป็นคนอื่นคนอื่นอยู่ดีแต่นี้คุณเอาทองคาแลกชีวิตของคุณคุณอาจจะบอกวิธีทำข้าวราคาถังไม่เท่าไรแต่คุณเอาทองคาเช่นไปคุณอาจจะบอกวิธีทำถูกแต่คุณต้องเลือกเอาระหว่างชีวิตคุณกับทองคานั้นคนเสมรเลือกชีวิตไม่เลือกทองคําเอาทองคามาแลกอาหารกินอันนี้คือคือหลักการเดียวกันนั้นไอ้ความต้องการฝ่ายร่างการไม่เยอะหรอก นิดเดียวนั้นถ้าเราค้นหาเอาของที่ต้องการฝังการมาเยอะๆเยอะ ๆ, ๆนะฮะคำถามว่าล้วไง <c oughs> ลองดูก็ได้ไปร้านอาหารนะกินอาหารคนเดียวนะสั่งอาหารนะสึกอย่างคุณกินได้เท่าไหร่และที่เหลือแล้วไงที่เหลือคืออะไรที่เหลือเป็นแค่ความเท่ ฉันมีเงินซื้อจ่ายคุณกินนึ่งแค่อย่างละช้อนสิบอย่างคุณก็อิ่มแล้วฮะความของการฝ่ายร่างกายฮะนั่นคือสะนั้นนั่นคนอยู่ไปแบบเนี้ยที่เขาไม่อิ่มที่เขายังไม่หายยานี่เขายังไม่พอเขาไม่อิ่มเพราะว่าไอ้สิ่งของการมันนิดเดียวแล้วที่เหลือมันไม่ทําอะไรแล้วไงนะฮะเพราะร่างกายไม่ต้องการอะไรมากนักมีมากก็ไม่มีความหมายอะไรมีมากมีความหมายอะไรมันก็มันไม่เสียหายนะ ผมไม่ได้แปลความมันเสียหายนะแต่กาลังบอกว่ามีมากก็ไม่มีความความหมายอะไรแต่ไม่มหมงเสียหายถ้าคุณมีได้ก็มีไปเถอะไม่ได้ว่ากันนะก็มีเยอะๆก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ถามมันมีความหมายจริงจริงไหมมันไม่เคยมีหรอกในภาพความจริงมันน่ะนั่นคือสิ่งเกิแต่ผมไม่ได้แปลความว่าไม่อยากได้ถ้าใครใครให้ผมเอาไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่กาลังบอกว่า ถ้าคุณทําอะไรแล้วมันทําร้ายตัวคุณเองแล้วมันเกินไปเนี่ยก็อย่าทำแต่ถ้าคุณยังมาได้มันมีได้ก็ปล่อยมันไปมีได้ก็ชัางมันไม่ใช่ปัญหาอะไรมันไม่เสียหายในการมีมากหรอกไม่เสียหายและถ้าคุณใช้มันเป็นยิ่งมีประโยชน์สูงสุดกว่านะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเหตุผลที่เราไม่พอเหตุผลว่าไม่อิม่มเหตุผลที่ไม่หายอยากเพราะว่าเรายังไม่ได้กับสิ่งที่เราต้องการจริ ง, รงและร่างกายมันต้องการเป็นแค่จํากัดนะครับทําไมเป็นแบบนั้นเพราะโลกทุกวันนี้มันเสื่อม ในพระธรรมมัทธิวด้านสิ่งแวดล้อมแผ่นดินไว้โรคระบาดสงครามนะฮะสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาไปไม่ทั้งหลายแหลนะวาตภัยทุ ก, กภัยนะครับเยอะแย ะ, ยะซึ่งทำให้มีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสภาพแวดล้อมมีจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงถึงแม้เราบอกพยายามปลูกป่า แต่ป่าก่อจะโตเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีแต่เราตัดแต่แป๊บเดียวนัเราตัดแป๊บเดียวต้นไม้มันโตไม่ทันนต้นไม้โตไม่ทันนั้นความเด็ดร้อนสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเสื่อมลงเสื่อมลงเราอยู่ในโลกยุคต่อไปลําบากขึ้นลําบากขึ้นเพราะมีปัญหาขึ้นสภาพของคนถ้าสองในมิติบทสอันดับแรกคือเห็นแก่ตัวดีกรีงความเห็นแก่ตัวของคนมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าพูดไปแล้วโลกนี้ไม่น่าอยู่ และความเห็นกับตัวเนี่ยอย่าไปบอกนะว่าในธรรมการคริเสเตียนไม่มีมันมีเพราะว่าเป็นคนบาปเหมือนกันไงจะมีมากมีน้อยก็ไหวเรื่องเนี่ยไม่มีใครนะมาเป็นเชื่อในพระเจ้าแล้วความเห็นกับตัวมันหายไปจนปิดทิ้งไม่เนี้ยจะเหลือมากเหลือน้อยแล้วแต่คนนะ่ะนะถ้ามีพระเจ้าอยู่ในหัวใจมันก็ไอความเห็นกับตัวก็ น, น้อยลงใช่ไหมอ่าอยู่ใกล้พระเจ้าความเห็นกับตัวก็น้อยลงน้อยลงอะไรต่างพวกนี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น น, นั่งหนุนใจว่าโลกนิ้มเสื่อมลงไง เราจะอยู่ยังไงในคั้มกลางโรคกิเสื่อมลงนั่นคือสิ่งที่ปั้มพีพูดถึงในปั้มพีบอกว่าต่อมาว่าแล้วเมื่อคุณได้มาพระเจ้าก็เปล่าไปเมื่อคุณได้มาพระเจ้าก็ทําลายเสียจริงพระเจ้าไม่ทําลายหรอกแต่ว่ามันไม่อยู่ออกับคุณตามสภาพตามสภาพแต่หลังเพือว่าสิ่งที่คุณทําคุณไม่ได้อะไรเพราะพระเจ้าไม่ได้อวยพอในสิ่งนั้นคุณทําเองได้เองเออเองนั่นก็ถึงคุณ ป, ปืนกรางก็ไปนั้นคือสิ่งทึ้นคใครมองเห็นภาพชนหนึ่งความต้องกาแท้จริงเราคืออะไรนะความสุขใจความสุขใจอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตที่จะไม่สันติสุขในยอนบทสิบข้อที่สิบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะรักและฆ่าและทําลายเสียเรามาเพื่อเขาหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ในยอห์นสิบสี่ข้อเจ็ว่า สันติสุขเราให้กับท่านนั้นไม่เหมือนโลกให้อันนี้ตึงหาเกี่ยวต้องการเราสแสวงหาทุกวันนี้ไม่สแสวงหาเลยสแสวงหาว่าเมื่อไรเราจะมีะสันติสุขนะฮะสแสวงหาความสุขเป็นพื้นฐานอยากมีนูน่นมีนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการมีความสุขแต่ขโมยมันหลอกเราอ่ามาร์สตาล์มันหลอกเรามันให้เหตุผลจอมปลอมกับเราอะไรต่างกับเรา นั้นตัวที่เร่งปฏิกิยาของคนในยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนที่ชั้นล่างกลางชั้นล่างเนี่ยนี่สินเป็นตัวเร่งปฏิกิยาในการทำให้ตัดสินใจผิดพลาดหลายเรื่องแต่ก่อนเป็นก่อนจะมีนี่สินก็คือมันมีตัวเร่งที่ทำให้เป็นนี่สินล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่ดีอย่างเช่นผมชอบนะระบบนี้ชอบระบบเงินผ่อนเนี่ยเป็นระบบที่ดี <c oughs> สาหรับคนที่มีไรายได้น้อย ดีแต่คนมีรายน้อยต้องถามตัวเองว่ามีส่งไหมถ้าไม่มีอย่าไปทำแต่ถ้ามีโอเคคุณไม่ต้องมีเงินก้อนไปซื้อนะสำหรับคนที่มีไรายได้น้อยแต่ต้องถามเองว่ามีส่งไหม <c oughs> ชาวนาเป็นตัวอย่างอันหนึ่งชาวนากู้หนี้ยืมสินบนพื้นฐานที่ไม่มีเงินส่งแต่มีความฝันว่าจะส่งได้ตัวอย่างเช่น ไปซื้อรถไถมาถามว่ามีเงินส่งไหมไม่มีแต่ฝันว่าเมื่อทํานาดีแล้วสามารถจะส่งได้สามารถจะส่งได้าาะไดนะเมื่อทํานาดีได้กําไรอยา่าง้รก็เอามาส่งฝันไงไปซื้อรถมาเพื่อจะไถเพื่อจะอะไรตามเนะี้ยซื้อรถมาขนส่งตามแต่เนี่ยแล้วโดยฝันว่าเดี๋ยวถ้าราคาข้าวดีจะได้เอามาส่งแต่กี่เปอร์เซ็นที่มันดีเก้าสอร์ซนมีปัญหานา น, นานที จะดีสักครั้งหนึ่งนะได้ดีมาก็ใช้หนี้หมดอ่ะอันนั้นคือระบบเงินผ่อนนะดีสำหรับคนที่มีผ่อนแต่คนไม่มีผ่อนอย่าไปทําอันนี้นคือการล่อลวงพอเป็นหนี้ปับ๊บมันปฏิยาเร่งละผมไม่ถามชาวนาชาวไร่นะไปถามแม้แต่คนปกติธรรมดาทั่วไปในเมืองเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเรื่องการไม่มีกินแต่ที่มีปัญหาคือไม่มีเงินใช้หนี้ <c oughs> ไม่มีปัญหาจะบอกโอ้คนชาวไร่ชาวนาอดจากไม่มีกินตลอดเวลาและกินดีเราด้วยปลากระปล า, ปลาย่างดีไม่มีสารปนเปื้อนผักกระผักอย่างดีนะผักปลอดสารพิษอะไรต่างเนี่ยมาดูชาวนากินข้าวนะแพงกว่าเรากินที่ร้านอาหารอีกถ้านับตามคุณค่าทางอาหารนะเรื่องอดตายไม่เกี่ยวครับปัญหาเขาเรื่องเดียวว่าไม่มีเงินใช้นี่มาถามคนในเมืองเหมือนกัน เรื่องการกินอยู่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือไม่มีเงินใช้นี้อันนี้คือเรื่องใหญ่นะฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเราไม่มีความสุขใจเพราะบางครัก็ตัดสินใจบนพื้นฐานที่มันหาทางออกก็ผิดพลาดโดยเหตุผลจอมปลอมหลายเรื่องอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์ต้องการพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่6กสามสนะนะแต่ทั้งหลายจงแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมองงค์กนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งพวกนี้ให้ อันคือสิ่งคืนพีพูดถึงในยอห์นบทสีข้า 3, 4, อาพระเยซูว่าอาหารของเราคือการทำตามน้ำพระทัยบิดาและทำให้สำเร็จด้วยเหตุผลนี้ฮักไก่นะฮักไก่ ย, ยังชักชวนนะชักชวนชนชาติอิสราเอลและกล่าวบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงขึ้นไปที่เนินเขาและนำไม้มาสร้างพระนิเวศเราจะมีความพอใจในพรนิเวศนั้นและเราจะได้รับเกียรติ เจ้าทั้งหลายจะหวั ง, วงได้มากแต่นี่แน่ก็ได้น้อยและเมื่อเจ้านําผลมาบ้านของเจ้าเราก็เป่ามันไปเสียเพราะพระเจ้าจงทตรัสว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะนิเวศของเราพัทางทลายอยู่อ่อยูฝ่ายเจ้าต่างก็เสาวนอยู่กับเรื่องของตนเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือเจ้ายังนําค้างไว้เสียโลกก็ยึดพืชผลของมันไปเสียเมื่อสรุ ป, ปรได้ยินดังนั้นปั๊บ ก็มารวมผลแล้วสุรุเบนบุตรเชียนซีเอ็และโยชัวบุตรเยวสดักมหาปุริตพร้อมกับประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายและถ้อยคำของฮักกายผู้ผิดนะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายได้ทรงใช้ท่านมาและประชาชนก็เกรงกลัวพระเจ้าและฮักกายทูตของพระเจ้าก็กล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรับสั่งพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลาย และพระเจ้าทรงเร่าใจศิรุปรเบนบุตรเชสเอ็นผัว ก, การเมืองยูดาห์และทรงเล่าใจจูชยาบุตรเยโฮสอดักให้ให้ได้ช่วยกันสร้างนิเวศของพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทายว่ากลับมาเมื่อพระเจ้าบอกความจริงว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณไม่ต้องการไอสินที่คุณต้องการจริงหันกลับมาสร้างนิเวศพระเจ้าและนี่คือความต้องการของคุณ นนในความหมายขานกลับมาสร้างเวทพระเจ้าคืออะไรการมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าและการมีโอกาสได้รับชัยพงเหมือนพระเยซูตรัส ว, ว่าอาหารเราคือทําตามน้ำพระทัยพระดาและทําให้สําเร็จนั้นคขัมยกรา ก, การสำ็จกลับมาของพระเยซูเริ่มมองเห็นชัดขึ้นจากอังกฤษกดีจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดีพระมหาบัญชาของพระเจ้าประเทศไทยยังไปไม่ถึงไหนแต่ไม่ใช่ปัญหาถึงแม้เวลาน้อย เพียงตั้งใจทําพระเจ้าจะช่วยเราทําสําเร็จนะให้เราเริ่มสํำรวจเองว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน่จงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรหวานมากเกี่ยวน้อยไหมรับประทานแต่ไม่เคยอิ่มใช่ไหมดื่มแต่ไม่เคยหายอยากหรือเปล่านุ่งห่มแต่ไม่อุ่นใช่ไหมได้ค่าจ้างมันหายไปไหนหมดเพราะเหตุผลมันไม่ใช่ความต้องการของเราจริ ง, รงเป็นเพียงความต้องการฝังกายซึ่งไม่มีมากนักนะฮะ โลกมีปัญหาสภาพเป็นร้อนเสื่อมสภาพใจคนยิ่งแย่นะฮะสิ่งที่ต้องการคือความสุขทางใจมันไม่ใช่เรื่องธรรมะในความสุขทางใจเ ป, งเป็นความต้องการเราจริงเป็นความต้องการของเราจริงทุกคนมนุษย์ต้องการพระเจ้าแต่ทั้งหลายจงสแสวงหาพิริพระเจ้าและความชอบธรรมพระองค์ก่อนและพระองค์ทรงเพิ่มเติ ม, มสิ่งพรกนให้นี่คือความต้องการมนุษย์ พระเยซูตรัสเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระทายพบิดาของพระองค์ผู้ใช้ทรงใช้เรามาและทำงานของพระองค์ให้สำเร็จอยู่กับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่กับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าไม่ได้แปลความมามาทำงานที่บสถการทำงานที่บสถเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ทำร่วมกันรับใช้พระเจ้าในที่ที่ท่านอยู่ อยู่กับพระเจ้าในที่ที่ท่านอยู่วาทิศมาแบ่งปันพระพรกันวาทิตมารับสิ่งดีจากพระคำพระเจ้าด้วยกันวาทิศมาเพิ่มกําลังแต่กันและกันหนุนใจกันและกันเพื่อกลับไปรับใช้พระเจ้าอยู่กับพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าผลจักเกิดขึ้นในทุกแข่งเมื่อมีคนของพระเจ้าที่นั้นเราร่วมใจฐานด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า นั่งตีเล่นเพลงความรักมั่นคงพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าให้เราทบทวนชิงเรากับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาคุณาทรงนำพาเราพาลิลุยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนยู่ของข้าพเจ้ายขอบคุณในความรักพระเจ้าทรงเมตตาคุณาทั้งสิ้นไอฐานสรรเสริญและขอบพคุณพระเจ้าจะอวยพรขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้าตรว่าจะอยู่กับเรา สิ่งที่าต้องการจริงคือพระเจ้าสิ่งที่าต้องการจริงคือสันนิสุคที่มาโดยพระเจ้าสันเสริมและขอบพระคุณจากการได้อยู่กับพระเจ้าการได้มีการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นสันนิษุขเป็นพระพรฮาเลลูยาสันเสริมพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาสันเสริมและขอบพระคุณในความรักพระเจ้าฮาเลลูยา พระเจ้ารักเราเราทบทวนครับเพตุการณ์ของโลกกําลังบ่งว่าพระเยซูใกล้สจะมาเอกการณ์ของโลกก ำ, ล, กำก ล, กลังบอกว่าหมายสาคัญต่าีอินปเยตุ็มีพูดถึงพระเยซูคริตพูดถึงคนของพระเจ้าพูดถึงเป็นคำพยากร ถ, ถึงโลกในอนาคตถึงไหมจุคนี้และต่อไปทุกอย่างเริ่มชัดเจนเป็นไปตามพระคําของพระเจ้า นาทิ้งเราคือเดินไปกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้ามีโอกาสได้ปนปีบัดรับใชัยผ์และสันนิษฐาพระเจ้าอยู่กับเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเราเรามีปัญหาอะไรขอพระเจ้าช่วยเราขอบคุณในความรักความเมตตาความกรุณาของพระเจ้าที่มิจ้องขับไล่ฮาเลลูยาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่งขับหลายขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณพรเยซู ขอบพระคุณพระเยซูพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญอาลลูยาฮาลลูสรรเสริญพระจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาลีสรรเสริญพระเจ้าโอ้พระเจ้ากลาขอพระญาติเคลื่อนไหวทำการทหลายขอพระญาติมากของพรงในสัมผัสแต่ต่อขับหลยขอพระญาติมากขอนตรัสขับลตามชอบประทไทยของคุณขอบพระคุณพระเจ้าฮาลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณในความรักเย อ m e n h a l เ e l u j a สันเสริญพระเจ้าสัเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูฮ a l l e l u a ขอบคุณพระเยซูพระจ้าใหญ่สมควรแก่การสันเสริญขอบคุณพระเจ้า amen h a l l e l เรจะร้องเพลงด้วยกันครับความรักมันคงรักมันคงของพระเจ้า ไม่เคยยาบพระเมตาคุณหลังลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกๆวันใหม่พระองค์ทรงความเทียงตรงจริงตา้ ราอง์ทรงบางทีความรักมันคงสันเริญพระเจา้ามันคงของพระเจ้าไม่เคยยาพระเจ้าไม่เคยห ย, ย, ยุดที่จะรักเราและไม่มีวันที่พระเจ้าจะไม่รักเราพระเจ้าพร้อมไว้พ้อมเราเมื่อเราเดินดกับบ้าพระเจ้าพร้อมให้สิ่งดีๆกับเรา เมื่อเราอยู่กับองค์พรจ้าของเราการเสริญพระเจา้าฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลันเสด็พจพระเจ้าโรงยิงน้ำไม่ทุกเช้าเราในดวงใจไม่ทุกเช้าเราในลวงใจซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่ ราองสงพางเทียงตรบยิ่งนั้นราองสงพางเทียงตรบรลักส่งใจถานครับขอพ ญ, ญายสตรัในใจของเราทั้งหลายแต่ละคนใครเจ็บใครป่วยเอามือวางท่านเจ็บป่วยนั้น ไททุกใจหนักใจเอามือวางที่หัวใจของท่านไม่ว่ า, าการเจ็บป่วยภายนอกหรือการเจ็บป่วยภายในขอพระเจ้าสิิ์ด้วยข้า <c oughs> แ, แต่พิดาเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่โดยฤทธิประเสริฐของพระเยซูคริสต์โดยแผลรอยเค้องของพรงในนามของพระเยซูคริสต์ชาญเสร็จมือทุกมือที่วางไปในส่วนที่เจ็บป่วยไม่ว่าอาการเจ็บป่วยอาการภายนอกและภายใน จงหายเป็นปกติสันเสริแลขอบคุณในความรักอมคเจา้าความทุกข์ใจความหนักใจความกวนใจความท้อใจและอื่นๆที่ทําให้หนักอกหนักใจเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่ทับอยู่ในนามของพระเยซูคริสต์ชาวานะขอสั่งภูเขานี้ลอยออกไป <Amen. S 1> และขอพ้นยามสุดท้ายเจอมาพรนยามสุติ้เทลงมา ให้ทุกหัวใจทุกดวงใจทุกจิตเต็มไปด้วยความชื่นชมดีในองค์พระเจ้าเพราะความชื่นชมดีเป็นกำลังของข้าหลายและจิตใจที่ร่าเริงก็เป็นยารักษาโรคอย่งดีจึงสรรเสริญและขอบคุณในความรักองค์เจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใจผ่อครับ